สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรณีน่าคงนะคะก็มาพร้อมกับรายการสรรณีสนทนาซึ่งเป็นการสนทนาธรรม และดิฉันก็อยากจะให้ที่ so FM 106 ครอบครัวข่าวนี้ กลับอีกวันนึงนะคะที่ได้มาพบกับท่านว่าท่านภิบูรณ์อ่าในช่วงเนี้ยเวลามีคอสท่านก็ <c oughs> นะ 5 แต่ตอนเช้า 5:00 น. ถึง 6:00 น. ภาคสายก็บ่าย 9:00 <c oughs> น. ถึง 10:00 น. ภาคบ่ายก็บ่ายถึง 1 3:00 น. ครึ่งและภาคค่ํา AEC และช่วง 13:00 2 ภาษาให้ฟังด้วย ค่ะภาษาที่ 2 คือภาษาอะไรคะอ๋อรอง AEC ด้วยใช่ๆยังๆไปเช่นอ่าเดือนนี้พุทธวัฒนะค่ะท่าน ก็ถึงเอ่อก็มีพระพระสงฆ์ที่เป็นอาสาสมัครๆมาช่วยกันในทีนี้ว่าเอ่องานอื่นๆมันก็ดําเนินไปได้ไม่มีปัญหาบางทีผู้หลีกเร้นที่มาเนี่ยว่าทําเองแล้วก็มา<อง> ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่รอบ 2 เนี่ยเสร็จแล้วก็มาช่วยได้ก็คือคือหมายถึงว่าถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติ ลักษณะของงานเป็นพิเศษอืมมันจะมีงานเช่นว่าอย่างคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมๆเพราะว่าๆอย่างนะแล้ว เอ่อฟังปุพพจน์กันเรียกว่า 90% เลยของหลักสูตรที่วัดเนี่ยเราให้ฟังสิ่งที่เป็นปุพพจน์แล้วก็เอ่อ ก็อยากทําบุญน่ะอยากไปใช้แรงให้ทํากับข้าวก็ไปไปล้างจานอือๆไปกว่าล้างวัดก็ได้รับมั้ยค่ะ ที่ WP wp.yamjakwatpa แล้ว DHS dhs.yamjakdonhai sok Google ก็คือวัดป่า wp. แล้ว dhs.org อ๋อก็มีกรอกแบบฟอร์มใช่จะมีหน้านึง มีได้เรียนได้หมดค่ะงั้นก็เท่ากับว่าได้ได้ส่วนที่คิดจะไปอาสาทางที่ดีวันคะเอ่อการปฏิบัติที่ใช้นะไม่ นะวันไปกลับด้วยก็ 9 วันในสมมุติเอาเราจะเริ่มวันเสาร์นะวันเสาร์เป็นนับ 1 ก็จะ 1 ไป 7 1 2 3 4 6 7 นะ 7 นี้ยังเราปฏิบัติ 7 วันอยู่อยู่แต่ 8 ถึงจะ นั่นก็คือปกติไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเค้าก็จะมีสำนวนพูดกันว่า <c oughs> 9 วันพอดีค่ะซึ่ง ค่ะนี่ก็เป็นอ่าภาพให้เห็นคร่าวๆนะซึ่งดิฉันก็ไปเห็นคนที่ก็ไปช่วยงานทําคือจริงๆพวกนายเค้าก็สําหรับ<อ> เรื่องการปฏิบัติๆก็คือพวกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเอ่ออะไรอุปกรณ์เครื่องใช้ โอ้แล้วมาก็ถามโอ้คุณต้องทําขนาดๆเพราะว่ามันเหนื่อยบ้างอะไรบ้าง บางคนไม่เคยฝึกซ้อมเลยคนไม่เคยฝึกซ้อมเลยนะในขณะเดียวกันนี่มาปฏิบัติธรรมคนที่ 1 แกวันนี้ก็เป็น เออว่าถ้าสมมุติเค้าเข้าถึงความสุขในระดับที่เอ่อกายกับจิตมันตัวเนี่ยทั้ง 2, <ใช> 2> <ใช>คนสิ่งที่จะเหมือนกันอย่างหนึ่งนะสิ่งที่จะเหมือนกันอย่างกันอีกอย่างนึงก็คือ นั่นก็คือเรามาปฏิบัติแบบนี้เรามาอยู่เซนาสนะอันสงัดแล้วก็ทําเต็มที่แล้วบางทีบางคนเนี่ยโอ๊ยแบกตํารามาด้วยนะค่ะแต่ตํารานี้คือเข้ามาในหัวเอ๊ะฉันนั่งจริงๆมันเป็นคนละ ก็คงจะมีคนปราบปลื้มปีติรู้สึกชอบแต่ในขณะเดียวกันก็ยากใช่หรือไม่ไม่ได้ ถึงต้องถามต้องถาม 9 วันใช่ 9 วันสําหรับคนทํางานนี่ไม่ได้ง่าย ลำบากนะคนที่เคยใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาไปถึงที่นั่นปุ๊บหยึดโทรศัพท์นะคะไม่ต้องมีการติดต่อกับใครเดินผ่านกันก็ไม่ควรจะมองหน้ากันสื่อสารกัน อ่าก็ถึงบอกว่ากราบเรียนทางท่านเนี่ยอยากให้ไปแล้วอย่างน้อยได้ นะอันแรกต่างคนละแบบอย่างเช่นว่าเอ่อถ้าคุณจะต้องโทรศัพท์เนี่ยคุณก็เตรียมการมาก่อนเลยว่าฝากฝังงานคนนั้นๆคุณเดมารู้มา เตรียมการไปเลยอ่ะไม่ต้องเอามาไม่ต้องแบกมาแต่ธรรมชาติมนุษย์มันอดสงสัยไม่ได้เอ่อสงสัยก็ถามได้มีเวลาให้ถามค่ะแต่วางให้มากที่ ที่ถ้าไม่เคยทําอนันตรยกรรมนะไม่เคยทํารักษาศีลให้ดีถึงเวลาก็มานั่งสมาธิๆคนเค้า นี้ค่ะก็เท่ากับว่าเอ่อเตรียมอย่างที่ท่านอ่าต้อง ฉันมีโอกาสทําได้แน่เพราะว่าท่านภิกขุได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดาใช่ วันนี้ก็เลยอุทิศให้กับการที่จะทําให้หลายคนที่อีกคอส 1 ประจําเดือนพฤศจิกายน ท่านฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสรรเสริญสนทนาที่ชั้นสรรเสริญหน้าคงดําเนิน เผื่อติดตามรับฟังกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่